เรามากันหมดไหมฮะใครใครไม่ม า, า, าใครใครใครออกไปยังไม่เข้ามาะมีข้าที่โดงมาจับมือแพ้ครับฮะมีที่ดมาจอแ้ครับไหนา6ีอง6ครับโอ้ไปยังไงจะดไงเป็นเออยอะแยะ ไหนไปยังไงมายังไงฮะร<ป>งไปยังไงมายังไงครับฮะ<า>ที่ไหนวัดไหนมาจากเมืองวัดเมืองแพร่วัดไหนวัดหลวพกันหาครับอ๋อเจงกันหาเลยครับแล้วพกักการอยู่ที่นู่นจะมาสาที่นู่นเลย คับอยู่ที่อุตรดิตแล้วก็เชียงใหม่โคราชครับแล้วรวมกันรวมกันแล้วก็จะไปที่ไหนลงไปที่ไหนคือตั้งใจไปกราบพระธาตุพนมครับพุะธาตุพนมเขาเปิดฉลองเมื่อไหร่ไม่ทราบเลยครับฉลองไม่ฉลองก็ไปกราบนั่นแหะครับเดินไปหรือนั่งรถไปเดินครับวันนี้จะเดินจากหลังเขาลงมาหลังเขาครับเดินไปทุกวันครับวันละ เท่านั้นเท่านี้ค่ำไหนนอนนั้นครับผมถ้าเพอไปไ ม, ไม่ไม่ถึงสํานักมันค่ำซะ ก, ก่อนทําไงอ่ะนอนตรงไหนอนอนปา่านอนเขาก็ได้ครับผมเดินเราเดินก็ได้กําลังใจอยู่นะได้กําลังใจจากตอนที่เรามันเหน็ดเหนื่อยนะั่นแหละมันเดิน<ๆ>แท้ที่จริงการเดินมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทุนดง แต่มันได้ประโยชน์ในขณะที่เราเดินมันไม่ีที่พึ่งเล้เดินไปแล้วก็เหน็ดแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หิวก็หายก็ร้อนเหน็ดเหนื่อยหิวก็หายร้อนเหน็ดเหนื่อยหิวก็หายร้อนบางทีก็ทางกระยากบางทีก็ทางผ่านชุมชนใหญ่บางทีก็ผ่านชุมชนเล็กมาหาเจ้ามา ไปกวนมาชาวบ้านเขาเนี่ยลสี่ยงปราทุโ ด, ดง <c oughs> เราไม่รู้จักเส้นทางมันลำบากอยูน่นะแต่ถ้าเรารู้จักเส้นทางเราเดินไม่ให้ผ่านชุมชนจะย่างเรียบเขาเนี้ยเส้นทางไหนที่มันเรียบเขาเดินไปสะดวกสบายใช่ไหมเป็นที่แวะเป็นที่เหมาะระหกองค์มียอมด้วยเหรอเขาหนึเข า, นขาหนึ่ง ออกมากี่วันแล้วยี่สิบเก้าวันยีิบเก้าวันแล้วกลับก็จะกลับแล้วแล้วนั่งเครื่องกลับก็ตอนนี้ยังไมบางคนไม่เคยเดินเท้าแตกเท้าบวมมันมันได้กําลังใจตอนเราเดินแล้วเราพิจารณาเลยแล้วความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็พิจารณาแล้วก็มันอยู่กับกิริยาอิริยาบทที่ถูกบังคับทุกข์ระยะร้อนหิว เหนื่อยต้องอดต้องทนตลอดถุกระยะมันมันเป็นอิริยาบถที่ปลุกสติของเราได้เป็นอย่างดีแท่จริงได้อาจได้ทําในขณะที่เราเดินเยอะๆไปนี่เดินแบบนี้เดินพิจารณาเดินเป็นคำอธฐานตลอดเป็นการเดินทุนดงในหลับการเดินไม่มีคําว่าเดินทุดงไม่มี แต่เราเดินไปเพื่อทุดดงไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่รุกขมูลอยู่ป่ามีคมว่าทุดดงอยู่กลางแจ้งมีคมว่าทุดดงอยู่ร่มไม้มีคมว่าทุดดงอยู่ป่าช้ามีทุดดงแต่เดินมันไม่เป็นการเดินทุดดงแต่มันได้ประโยชน์จากการเดินมันเป็นกิริยาบทปลุกให้เราตื่น การเดินทำทำให้เราตื่นไหนจะแบกไหนจะสภายบาดสะพายกรดแบกกรดสะพายบาทไหนจะหนักไหนจะเหนื่อยบางคนเดินจนเท้าแตกเดินจนเท้าแตกเท้าบวมเราเห็นความทุกข์ยากความลำบากในการเดินมันได้กำลังใจตอนนั้นและก็ได้ประสบการณ์เราคอยจับความนึกคิดของเราในขณะที่เดินอะไรมันโผล่ออกมาบ้าง อะไรอะไรโผล่มามันก็จำนนจำใจทั้งนั้นเพราะเราไม่ได้ไปคนเดียวหมู่เขาเดินได้เราก็ต้องเดินได้หมู่เขาพาหยุดเราก็หยุดหมู่เขาพาเดินเราก็เดินแต่ขอให้คิดเรื่องเรื่องธรรมกันพิจารณาเรื่องธรรมอย่าให้เรื่องโลกเข้าไปแทรกถ้าแทรกมันจะทําให้เราท้อใจอ่อนใจท้อใจมันไม่ได้กําลังใจอานุโมทนาแล้ว กับท่านที่ตั้งใจเดินนะมทนาให้ได้กำลังใจจากการเดินเดินเดินนี้กลับไปจากนี้ไปให้ได้กำลังใจไต่มากน้อยเท่าไหร่เ็าไปวัดเอาเองกันแล้วกันอย่าอย่าเดินมาให้ท้อใจกลับไปไปสึดกรนะหนัำไม่ได้นะเดินเพื่อคากำลังใจนี่คือร่องรอยของครูบาอาจารย์ดูเด็กครูเจ้าสอนปฏิบัตการท่านมีแต่เดินกับเดิน เดินจากแควนนั้นไปหาแควนนั้น ด, ดูดูท่านเสด็จด้วยพระบาทจากตะบนอุรุเวลาเสนาณิคมไปที่ อ, อิสิปัตนาเมือกทายวันคนละแควนจากแควนราชเครือไปแคว้นกาสีคนละแควนเดี๋ยวนี้เราไปเที่ยวอินเดียจากราชเครือจากตะบนอุรุเวลาเสนาณิคมพุทธคยาไปที่ ไปที่ปลายศิษปัฒนามฤคทายวัเนเเราดูที่เราต้องนั่งรถนานเท่าไหร่สมัยพุทธิจารต้นเดืนเราสิบวันนะจากนั้นไปถึงตํำบลจากนั้นไปถึงสรารนาฏทุวันเขาเรียกอะไรสารนาฏอิสิปตนะมฤคทายวันเมืองพาราณาศีเมืองพาราณาศีตัวที่เราไปดูไอ้ที่เขาเผาศพเผาะะไหลใช่ไหม เมืองพรราสีนี่แหละอยู่คนละแควนแควนมคตกับแควนกาสีมันคนละแควนไปเลยมีแต่เดินในสมัยพุกาลสมัยครูบาอาจารย์บุกเ บ, บิกหลวงปู่สาวลูกผู้มันพวกเราก็มีแต่บุกเบิกชือริ่องรอยตามผู้ริจจาท้านั้นผมพูดอยู่เรื่อยว่าหลวงปู่สาวลูกผู้มันนี่แหละ ในยุค ป, ปัจจุบันเป็นผู้แสดงความเป็นพระอรหันต์ให้ปรากฏในโลกผมผมพูดอย่างไม่กระดักกระดักปากแหละน้องตาท่านกระสืบต่อมาถือว่าท่านเป็นองค์หนึ่งแสดงความเป็นพระอรหันต์ให้ปรากฏในโลกนอกนั้นเราไม่ออกเชื่อมอีมากมายเยอะแยะไปดูลูกศิษย์ลงลุงปู่มานมีมากมายเยอะแยะท่านเหล่านี้ท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติ ท่านไม่ได้ไปเรียนรู้อะไรมากมายแต่ท่านเรียนรู้จักของจริงที่ใจเรียนรู้เรียนรู้จักของจริงที่ปรากฏที่ใจเราเรียนรู้รูปจริงๆที่ครองอยู่เนี่ยเรียนรู้เวทนาเวทนากายเป็นไงเวทนาใจเป็นไงเวทนาใจของพวกเราคือความยินดีความยินร้ายมันมีอยู่ แต่ด้วยเหตุที่พระอาหารหันต์ท่านไม่มีไม่มีความยินดีท่านไม่มีความยินร้ายท่านจึงใช้คำว่าพระอาหารหันต์ไม่มีเวทนาจิตท่านไม่มีเวทนาจิตคือท่านมีความรับรู้อะไรเหมือนเราหมดแต่ด้วยเหตุที่จิตของท่านนบริสุทธิ์แล้วมันไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปปนเปื่อนไม่เป็นเหตุไปทาให้จิตของท่านเศร้าหมองไปไม่มีมลทินไม่เป็นมลทิน ท่านเชืว่าเป็นจิตที่ไม่มีสังขารตัวสังขารก็คือตัวกิเลสตัวกิเลสก็คือตัวสังขารที่มีอยู่ในจิตของท่านพอเอากิเลสหมดไปแล้วไม่มีสังขารไม่มีสังขารไปก่อกวนเป็นวิสังขารสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวเท่า น, นั้นไม่เป็นสังขารไม่มีสังขานอกจากจิตพระอรหันต์แล้วไม่มีหนึ่งเดียวมีสองสองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่าสังขารหนึ่งเดียว เราหาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบข้างตัวเราที่เป็นหนึ่งเดียวไม่มีที่เป็นหนึ่งเดียวไม่มีจิตของเราทุกคนทุกท่านว่าจิตเป็นหนึ่งเดียวก็ยังไม่มีเพราะจิตของเรายังแปดเพื่อนด้วยกิเลสตรบาบใดที่เราเดินตามพระพุทธเจา้าจนถึงที่สุดเหมือนพระพุทธเจา้าเหมือนพระอริยสาวก modeled. จิตเราก็เป็นหนึ่งเดียวได้เป็นหนึ่งเดียวเป็นธรรมแท่งเดียวเป็นเอโกโทโมเหมือนอย่างที่ลงตาันตั้งพูดตั้นเท ถ้าตรงการข้าวแล้วมันไม่เป็นหนึ่งเดียวมันเป็นสองกับกิเลสพรอมีกิเลสอันนั้นตันห า, าการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเพิเศษมากมายมหาศาลยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรดูสิมันน้อยเหรอมันไม่น้อ ย, ยมากมายมหาศาลสิ่ง ท, งที่สิ่งที่กิเลสมันจะปลุกให้ตื่นขึ้นมาเนี่ยกิริยายอย่างหนึ่งทําไม่ลอบลอบแล้วก็ดิ้นรนแสวงหาทุกข์ไหม โลภทุกข์เพราะโลภกองวลในหัวใจดิ้นรนสแสรงหาทุกข์ไหมดูทีใช้เรี่ยวใช้แรงเสียงเป็นเสียงตายบางอย่างบางเรื่องมีคนมาขัดคอโกรธตาดำตาแดงเครียดแค้นถึงอาฆาตถึงพยาบาทผูกเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาเป็นกรรมสรบบารพัดนี่คือพิษทรงของมันคำว่าเกเรตัวเดียวแหละ ความหลงมันเป็นพื้นเป็นพืชอการ์ตูนพุทธประวัติที่ฝรัง่งเขาทาอ่ะมันมีอิรยาบุหนึ่งที่พู้ศรัทธากําลังบําเพ็ญอยู่ท่านเอาพระบาทท่านจุ่มลงไปในน้ําทีแรกท่านก็มองเห็นน้ําใสสะอาดเห็นอะไรหมดอยู่ในนั้นก้อนหินก้อนกรวดก้อนเม็ดเล็กก้อนโตตัวสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่เห็นหมดเนื่องจากว่าน้ํามันนิ่งน้ำมันตกตะกอนน้ามันใส พอท่านลงเอาลงตีนจุ่มลงไปเท่านั้นเองที่ฝุ่นคลุ้งขึ้นมาไม่เห็นเลยไอ้ที่ใสๆเหมือนเมื่อก่อนที่ยังไม่มีอะไรฟุ่นไม่เห็นเลยเราก็น้อมเข้ามาในใจของเราใจของเราที่มันฟุ้งฟุ้งด้วยอํานาจของกามนั่นแหละกามตัณหาเพราะว่าตัณหาที่ภาว่าตัณหารูปเสียงกลิ่นรสปวดะพัดทำอารมณ์น้อมนึกคิดมาในหัวใจของเราสิ่งเหล่านี้นเป็น คีบฝุ่นคลุ้งขึ้นมาล่ะอารมณ์ของกิเลสทั้งหลายลนั่นมันคลุ้งขึ้นมาทําให้เราเห็นสัจธรรมได้ยากก็เหมือนอย่างน้ํามันขุ่นนั่นแหละเรามองไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ในนั้นปัญหาสรารพัดที่มันเกิดขึ้นในหวัวใจของเราเราก็มองไม่เห็นในเมื่อมันมีสิ่งมันคลุ้งเข้ามาในหวัวใจแกไม่เห็นมองไม่เห็นยิ่งจิตของเรายังไม่ได้หลักยังไม่มีหลักยังไม่มีเกณฑ์วิ่ง วิ่งพิจารณาตามรูปตามเสียงตามกลิ่นมันก็เราวิ่งตามมันวิ่งตามมันก็ไปเสริมมันวิ่งตามรูปวิ่งขนาเด็กเด็ก็ไปเสริมรูปปัจจันหาวิ่งตามเสียงวิ่งไปเดก็เสริมตันหาแหะเกิดยินดีเกิดยินรายขึ้นมาเสริมขึ้นมาทันทีวิ่งตามอะไรก็เสริมนั้นวิ่งตามแล้วก็เสริมนั้นถ้าจิตของเราไม่มีกําลังเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองให้เห็น หรือจะวิ่งตามหรือจะจับให้ได้แก้ปัญหาให้ถูกกนต้องให้ใจเรามันนิ่งเหมือนน้ําที่มันนิ่งมองเห็นปัญหาชัดเจนจับให้ถูกในเมื่อเราจับถูกเราก็แก้ถูกสําคัญถูกสำคัญถูกแล้วกแก้ถูกแต่ถ้าเราสําคัญผิดเราแก้ผิดแทนที่จะเป็นการแก้แล้วเป็นการมัดเพราะมัดมัดหนาแน่นหนามันโคงมากกว่าเดิมซก นี่คือปุถุชนเราด้วยเหตุที่จิตของเรามันคลุง้งเหมือนที่ฝุ่นคลุ้งอยู่ในน้ํำเหมือนที่ฝุ่นฝุ่นคลุ้งอยู่ในน้ ำ, ม อ, นนนอนนำมองไม่เห็นครูบาจารย์ท่านจึงเน้นนักเน้นนาสินสมาธิปัญญาสมาธิคือทําให้จิตนิ่งทำให้จิตสงบเมื่อจิตสงบและจิตมันเป็นตัวของตัวมันเป็นอิสระกิเลสมันยุ่แเย่ก่อกวรได้ยากมันอยู่ลึกหน่อยเหมือนนั้นเถะ จิตมันอยู่ลึกหน่อยมันเป็นตัวของตัวจิตไม่อ่อนแอจิตไม่เปราะบางจิตมันอยู่กับฐานกับที่ของมันมันเห็นอยู่รูปเนี่ยแต่มันไม่ใช่ว่าความรู้สึกจะไปอยู่ที่รูปเนี่ยมันความรู้สึกอยู่ที่ตัวเรานี่หงูก็ได้ยินอยู่แต่มันไม่ไม่ได้ไปอยู่กับเสียงนะมันอยู่กับมันอยู่กับตัวเรานี่คือจิตอยู่ที่นี่มันมันแค่กระเพื่อมรับรูปรับเสียง รับกลิ่นรับรับรถรับสัมผัสเท่านั้นเองโอกาสจะลุกลามไปถึงให้ยินดียินร้ายมันไม่มียินดีมันก็เกิดขึ้นอย่างไม่ได้ยินร้ายกเกิดขึ้นอย่างไม่ได้เพราะจิตมันอยู่ลึกไปที่นี้จิตแบบนี้คือจิตที่มีความสงบจิตมีกําลังท่า น, นเองเอ า, เอาจิตที่มีกําลังนี่นแหละไปดูไปแก้ไขไปพิจารณาปัญหาที่มีอยู่ใ น, นใใหัวใจของเรามันถึงพอจะมองเห็นเห็นร่องเห็นรอยของมันบ้างไม่งั้นไม่เห็นอ เข้าใจผิดเข้าใจผิดแล้วก็แก้แก้แก้ก็ผิดแต่ที่จะเป็นการแก้กับเป็นการมาตการมันมันเห็นยังไงม่อยึดอย่างนั้นนะใจมันเรานะเห็นผิดสำคัญผิดยึดผิดถือผิดปฏิบัติผิดแก้ผิดก็ผิดไปเรื่อยวิธีการที่จะแก้ให้ดีแก้ให้ถูกมันไม่เกินหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาเนี่ย บางทีไม่จําเป็นต้องรู้อะไรเลยรู้แค่ว่าเรามีกายเรามีใจมาฝึกฝนอบรมอยู่แค่นี้ช่วงที่ทําให้ใจสงบมีบทให้เขาสงบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตได้รับความสงบเมื่อจิตสงบจิตจะเริ่มพ่องจิตจะเริ่มใสเหมือนน้ําที่ขุนมาเริ่มนอนตะกอนตะกอนมาเริ่มตกลงร่วงลงร่วงลงร่วงลงร่วงลงร่วน้ําที่มันขุนพระวัตรกอนมันลอยพอน้ําเริ่ม แต่กอนมาเริ่มนอนควนน้ำมันก็จะเริ่มใสใสจิตของเราที่มันไม่ฟุ้งฟุ้งไปกับพูกกับเสียงกับกลิ่นกับระสิจิตก็เริ่มสงบจิตก็เริ่มผ่องจิตก็เริ่มใสจิตเริ่มสงบนับตั้งแต่ปฐมฌานฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จิตจะเริ่มผ่องจิตจะเริ่มใสจิตผ่องจิตใสนี่แหละที่ท่านเรียกว่าจิตมีรัศมี จิตมีประพัดสอนเนี่ยจิตมีรัศมีจิตมีประพัดสอนบางทีความสงบของจิตดูประหนึ่งนั้นจิตของเราเนี่ยมีความสุว่างมีความสว่างความผ่องใสความสงบสงบของจิตมีความผ่องมีความใสมีความสว่างแล้วก็มีคุณสมบัติอยู่ในนั้นเยอะแยะมีความอบอุ่นมีความสุขมีความช่มชื้นมีความเบิกบาน มีความเบากายเบาใจนี่มีการอ่อนกายอ่อนใจเบากายเบาใจอ่อนกายอ่อนใจหมายความว่ามันเป็นคุณสมบัติของจิตที่สติปัญญาพร้อมที่จะน้อมจิตไปทํางานใดง่ายมันไม่แข็งกระด้างปกติถ้ามันไม่มีจิตมุตตาจิตละหุตาแล้วหมดจะน้อมไปเพื่อทำเลยน้อมไปได้ยากน้อมไปพิจารณาอะไรนั่นแหละน้อมไปได้ยากมันก็ดึงดึงหางมานั่นแหละ ตลอดเหมือนก็ดึงดึงหมาลงน้ำนั่นดึงบางกัดดินดึงบางกัดดินดึงบางกัดเดวกหลุดแล้วคือเมื่อกจิตของเราไม่มีกําลังตั้งอารมณ์เพื่อพิจารณาตั้งปุ๊บมันก็ละลายหายไปตั้งปุ๊บก็ละลายหายไปเหมือนไม่ตั้งอะไรก็ เ, าเอาไม้กรีดน้ำช้วดเดียวจุ๊บเป็นเนื้อเดียวแล้วเฮ้ยเดีเเยวแล้วเดียวเป็นเนื้อเดียวแล้วอารมณ์ที่จิตไม่มีกําลังก็เช่นเดียวกัน อารมณ์ของจิตที่มีชาติอารมณ์ส่งสงอารมณ์ของชาตเอาไว้เมื่อเราไปกรีดไม้กรีดหินกรีดก็เป็นรอยลึกโบเลยล่ะอยู่อย่างนั้นจิตสงบตั้งอารมณ์ยังไงเพื่อพิจชิตตั้งยัไงก็อยู่อย่างนั้นตั้งยังไงก็อยู่อย่างนั้นได้ได้รายละเอียดตามตามความสงบของจิตของเราตั้งมากก็ได้ตั้งน้อยก็ได้ตั้งยังไงก็อยู่อย่างนั้นนั่นแหละ เราจะได้พิจารณาให้เห็นข้อเท็จจริงว่าตัวความรุ่มหลงส่วนละเอียดลึกอยู่ในหัวใจถึงจะโผล่ออกมาให้เราเห็นตัวศัตรูตัวที่แท้จริงที่มันเป็นตัวอยู่เบื้องหลังฉากลึกๆเป็นตัวกำกับการแสดงเราจะเริ่มค่อยๆเห็นมันโผล่เข้ามาแล้วนั่นพรมันโผล่เข้ามาทีไรมาปะทะกับมาปะทะกับสายตาของเราคอยจ้องมันอยู่มันระเบิดกันต้ง สติปัญญาของเราที่เป็นพลังประทังกับแรงอํานาจของตัณหาทีไรเมื่อไรมันเหมือนกับสปาร์กันปั่มปัง่งมันจดุดมันยุปไปยนยยบไปเลยมันยุบยอดไปเลยเหมือนกับเราเทน้ําจากถงพระสติง๊งว้เหมือดความเมาความมืดความหลงเหมือนกับเราหลงทิพย์หลงแดนความจมดิ่ง ทำให้เราตื่นเมื่อเราปลุกตื่นก็ตื่นตัวขึ้นมาทุกเวลาทุกเวลาคุณสมบัติเรานี่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงแต่ต้องทําตั้งใจทําให้ได้ตั้งใจทใําให้ถึงเดินเราก็สามารถส ง, งบได้ยืนเดินน อ, นอนสามารถกําหนดจดจอดทาให้จิตส ง, งบได้นี่แหละเป็นคุณสมบัติที่เราควรแสวงหาเราไม่ต้องไปทำหนี้ตัวเองว่าเราเรียนเรียนน้อยรู้น้อยเข้าใจน้อยอะไรน้อย ครูบาอาจารย์ท่านสอนไปรับจากครูบาอาจารย์คำเดียวพุโทโธพุโทโธพุทธโธให้จิตอยู่กับอันเดียวนี้แหละอย่างอื่นมันจะค่อยๆแตกแขนงกระ จ, จายไปเรื่อยแตกไปเรื่อยแตกไปเรื่อยจากจุดเล็กๆประกายเล็กๆเข้าใจอะไรจุดใหญ่เดี๋ยวก็โลโลก็วิถูไปจากจุดไหนจุดเล็กๆประกายเท่ากับหัวไม่ขีดนประกายแค่นี้นะสามารถจุดให้เป็นไฟ สว่างลุกโลก่งเผาอะไรได้หมดหมดโลกธาตุนะครับไปจากจุดล็กเลยนี่คือความรู้โดยธรรมเพราะฉะนั้นคาว่าโลก็ไปถูโลกถ็ถูไม่ใช่เป็นสเสาะเที่ยวเที่ยวเสางหาโลกหมดทุกจุด ท, ทุกอย่างจุดประกายตรงนี้โลก็ไปถูได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเกิดขึ้นไม่แตกต่างอะไรกันเลยจิตของท่านจิตของเราความรู้สึกของท่านความรู้สึกของเรากิเลส ข, ของท่านกิเลส ข, ของเรา ธรรมะของท่านธรรมะของเรามันต้อมีอะไรแตกต่างกันความต้องการของท่านความต้องการของเราหากเป็นที่จริตนิสัยที่สั่งสมอบรมมาเท่านั้นเองแตกต่างกันแต่คุณสมบัติที่แท้จริงที่จะฝึกหัดให้ดัดให้แปลงให้เป็นได้เหมือนกันหมดแต่วิธีจะต้องมาแบบเดียวกันหมดบางคนก็ง่ายบางคนก็ยากท่านจึงว่าปฏิบัติง่ายรู้ง่ายปฏิบัติง่ายรู้ยาก ปฏิบัติยากรู้ยากปฏิบัติยากรู้ง่ายสุขาปฏิบัติทาทันทาปัญญาสุขาปฏิปทาขิปปาปัญญาปฏิบัติง่ายรู้ง่ายปฏิบัติยากรู้ยากปฏิบัติยากรู้ง่ายทุกขาปฏิบัติทาทันทาปัญญาปฏิบัติยากรู้ยากทุกขาปฏิบัติทาขิปปาปัญญาปฏิบัติยากรู้ง่ายปฏิบัติยากรู้ง่าย ก็เหมือนคนที่เคยอบรมสั่งสมมาบารมีมากมัขบมขักเที่ยวมันก็คนจับชั่วเดียวระยะเดียวถูถูไฟถูไม้เกิดไฟทูจับรวดเดียวไม่ปล่อยเอาจนไฟลุกติดเล ย, เยไม่ทําหยุดทําหยุดทําหยุดทําหยุดอบางคนก็ทําหยุดทําหยุดเคยอบรมสั่งสมมามากทําไปต่อเนื่องทำง่ายๆ ทำต่อเนื่องทำง่ายๆมันก็ได้เตรียมมามากแล้วขัดสีมามากแล้วถ้าเราจะเทียบกับเหมือนอะไรเหมือนก็ไม่ ไ, ไม่ขีดที่ก็เตรียมไว้แล้วกับแผงขีดเข้ามานะ่ะเพียงแต่ไปเสียดสีกันเช็คเดี๋ยวไปประกายได้ไฟขึ้นมาเหมือนหินกับเหล็กหินกับเหล็กมาสัมผัสกันอะมอาศัยกิริยาไปสัมผัสกันเช็คเดี๋ยวนะเป็นประกายขึ้นมา ไอ้ประกายกับปัญญาญาณที่จะทําให้เกิดต่อเนื่องกันก็เหมือนกับหินกับเหล็กกับกิริยาที่เราบิดลงไปแล้วจะไปกดเปิดแก๊สเหมือนกับไปช็ด ก, กันฟูออกมาติดเช็เดเลี้ยวปฏิบัติง่ายรู้ง่ายเพราะสังคมอบรมามากปฏิบัติง่ายปฏิบัติายาก รู้ง่ายก็เมื่อก็ท่านสังสมปรมมามากแล้วแต่ท่านมาทำด้วยบีบบังคับตัวเองอย่างต่อเนื่องได้ในช่วรงระยะไม่ปล่อยให้เนื่นนานเลยเสร็จจบภาระในขนาดนั้นถ้าเราจะเทียบเหมือนสมัยกุฎการพระริจ่าท่านเห็นอาจารย์ของท่านอุทกดาบทอาระดาบทเป็นผู้ที่มีจิตละเอียดอ่อนแต่หาช่องออกยังไม่เจอ พระองค์ดาริถึงโอ้เพียงแต่เราไปเบนเบี่ยงทิดถิแก๊กเดียวเท่านั้นแหละท่าก็จะสว่างรอดขึ้นมาโอ้แต่ท่านล่วงไปเสียแล้วท่านได้ทั้งรูปปัสมาบัตรอรูปปัสมารูปปิชาณอรูปปิชาจิตละเอียดมากนะอรูปานชานละเอียดมากอืละเอียดมากแต่มันออกช่องอย่างไม่ถูกถ้าเผื่อพระองค์ในประเทศเพื่อท่ เ, เคลียเปิดช่องให้นิดหน่อยนะอึ่งโพ้ ทะลุไปได้เหมือนอย่างพระพาหิยะเนี่ยเคยอบรมสั่งสมมาอย่างยิง่งปนะริยัติเทศเธอจงเห็นสักเทว่ะเห็นได้ยินสักเทวะได้ยินได้ฟังสักเทวะได้ฟังท่านทำใจถามนั้นทุกระยะพระพุทธเจ้าเทศอย่างไม่จบนะมรรลุธถรมปึ้งโยมจบเป็นประเกทตัดสรู้ได้เร็วคือสั่งสมอบรมมาอย่างยิ่งเนื่องจากเหตุปัจจัยมันแตกต่างกันอย่างนี้ เราไม่ต้องสงสัยเราไม่ต้องดูเขาดูเขาเป็นข้อเปรียบเทียบมาที่เราดูเราสังสมอารมณ์พระพุทธปฏิบัติขัดสีรู้เจรีนิสัยของเราขัดเราให้ไฟลุกในหัวใจของเราให้ไฟมันลุ ก, อ เ, ลกเอาตะปะทำนี่แหละเพ็ดเผาจนลุกไหมกิเลสเหื่อแห้งหมดไปจากหัวใจของเราเป็นที่พอยใจสำหรับเราก็ต้องอกต้องใจอาวันนี้เอาแค่นี้แหละ กี่ทุ่มละสามทุ่มละแค่นี้พอแล้วลวันนี้เราก็ไปทั้งวันเหมือนกันอ้าวหมูเราหมู่เราขออี่สายซะครัขออนี้สายชซะนี่วันนี้วันนี้วันนี้กี่เก้าสามสิบสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งสามสิบสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี้จะอยู่ ถ, ถึงปีใหม่แลว นะจะนั่งภาวนาข้ามปีเหรอหรือจะสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีสู้นั่งภาวนาข้ามปีมาได้ไหวไหมอืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกหรือจะบอกวันวังนี้เรามารวมกันอีกก็ได้จากนี้ไปจนถึงวันที่หนึ่งเรามารวมกันทุกวันก็ได้นะ ใครมีเวลาก็มารวมวันอีกทุกวันเราระยะนี้เราคงไม่ได้ไปไหนใช่ไหมเราไม่มีนะวันที่หนึ่งเราไปที่ไหนวันวันที่หนึ่งมีไหมฮะฮะอ๋อ ว, วันที่หนึ่งบวชวันที่หนึ่งบวชหนักวันที่สองวันที่สามไม่มี อะ น, นี้ร น, นี้ม่มี ม, ม, ม, มีวันที่หกมันเนาะวันที่ห้าต้องได้ไปวันที่หกอ่ะขออนิสัยพวกโมเราที่เราอยู่ประจำที่นี่เราขออนิสัยซะอาควเราเลิกได้แล้ว ไ, ได้ที่พักกันหมดเลยนะที่มาเนี่ยพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ตีสี่ พ่งนี้จะบินสบายร่วมฉันกับพวกเราเหรอแล้วจะแล้วจะออกเดินทางไปตอนไหนว่าจะขออกาอยู่วันี่สิบเแล้วออก 31, ครับออกอ็บิออกอพกนี้ก็30สบแล้วเนี่ยครับผมันวันพ่งนี้ 30, 3ามสิันบินบัดฉันที่นี่สองวันใช่ไหมครับผมบินบัดฉันที่นี่สองวัน ที่นี่เขาลงมาพร้อมกันที่สลาตีสี่ร่วมกันนั่งทำวัดสวดมนต์ภาวนาที่นุ่นไปจนสว่างตีสมารวมกันปักกว่าเช็ดทูภูอาสนะเสร็จแล้วก็ทำวัดสวดมนต์สวดมนต์เสร็จแล้วนั่งภาวนาไปจนสว่างทุกวันเป็นอย่างนั้นใครจะลงก็ลงมาให้พร้อมเปลี่ยนกันนะตอนเช้าตีสี่ยังช้ากัตีสี่20หรือตีสีครึ่แล้วก็ทำวัดทำวัด ประมาณไม่ถึงยี่สิบนาทีเราไมา่ได้พาส่วนอะไรมากจนแล้วมันยังไม่สว่างเราก็นั่งภาวนาไปจนสว่างเดี๋ยวนี้นั่งนั่งไปยาวเท่าไหร่ฮะฮะนั่งไปได้ยาวเท่าไหร่สี่สิบนาทีเป็นชั่วโมงเหรอนั่งเป็นชั่วโมงนะนั่งก็ให้นั่งพร้อมกันไม่ใช่ผู้หนึ่งนั่งอ่ะผู้หนึ่งลงไปเดินศบซาศบซากศบซาขวนกัน บางคนพอเวลานั่งมักจะหาช่องออกออกปัปทำอะไรก็ไม่รู้ระวังให้ดีนะเดีือเวลาให้ตั้งใจปฏิบัติแล้วไม่ทำไม่รู้จะมัดใจตัวเองออกไปเดินไปเล่นไปนั่งไปอะไรตามสะดวกสบายบางคนออกไปสูบเสียหายมากพวกนี้ยิ่งตอนเช้าเราไม่ได้ลงด้วยแล้วเนี่ยตอนเช้าเราไม่ได้ลงเราออกมาตอนสาย อ้าวขอี่ส่ทั แล้วช่วยตัวเองนะเพราวัดป่าเราไม่ใช่มีอะไรสะดวกสบายนะครับ <c oughs> มีปัญหาอะไรก็บอกกันของใช้ของซอยอะไรก็ต้องการอะไรก็บอกหมูนะขาดอะไรบ้างเราเดินมาเราขาดสบู่แฟบยาสิฟานอะไรก็บอกหมูได้เกืบรองเท้าอะไ ร, รนะบอกหมูให้หมูเอาให้ต้องการผ้าห่ผมผ้าอะไร แล้วก็ไปพักนี่ก็ได้ที่พักหมดเลยเนาะหมดแล้วครั บ, รบแล้วก็กลางวันก็อยากไปดูไปเที่ยวไปเดินตามกติไหนมันว่างๆก็ไปอยู่ไปอะไรอยู่แถวนี้เขาเขากำลังก่อสร้างอยู่เสียงรบกวนการโขบการฉานอะไรกันดูเราวัดบรรนอกอาหารก็อาหารทำในครัวอาหารอาหารป่าป่าอาหารบรรนอกอยู่ก็อยู่แบบบรรนอกบรรนอกศอกกลาว นี่แหละสก้าวชัดๆเลยแหละหมูเราเหลือเท่าไหร่หมูเราเหลือเท่าไหร่ยี่สิบถึงไหมถึงแล้วรเท่าไหร่ยี่สิบเท่าไหร่เมื่อกี้ก็ไปรีบไปบัน้นโพนเขาให้ไปดูจะทาเขาเอกติออกหมดแล้วเหลือแต่บันได เขาจะให้เหลือบันไดล้งปูเอาไว้เขาว่าเป็นร้อยมือร้อตีล้ปูเราโอ้ยเหลือไว้ได้อยู่แต่ปลวกมันยังขึ้นได้อยู่เนี่ยก็วัดทั้งวัด่ะร้อยมือร้อตีลงปูเท่านั้นแหละจะไปต้องการให้เหลืออะไรอีกเดี๋ยวเหีืยวปลวกมันจะไม่เห็นละเอาไว้ปลวกมันขึ้นกินจนหมดนะปลวกไม่นมันไม่เห็นสำคัญอารอยมือร้อตีล้ปูมันเอาจนหมดปลวกพวกเอาจนหมด ผมก็เลยยังไม่ได้ลงใจให้ใหทําตามแบบที่เทศบาลก็ทําให้แต่ว เ, เดี๋ยร์เดียร์ก่อนจะถึงวันงานกุมภานี้เรามีโอกาสคุยกันเราค่อยคุยกันอีกทีนึงแล้วไม่ต้องรีบรีบวอนอะไรดอกแต่ก็ไปซอยไม้ไว้เยอะๆเลยไม้กุงที่มันตายอยู่ในในป่าในวันซอยไว้หมดเราอยากให้ทําชั้นเดียวทําแบบแข็งแรงจะให้มันได้ประโยชน์คนไปนั่งไปภาวนาไปอะไรจ่ออะได้เขาทําเหมือนกุฏิเพื่อนอะ มันกติกาเก่าๆแหะแล้วก็ทําสูงโยง่อมวจะเหลือได้ทุนไว้สูงเงี้ยณข้างบนก็แสดงจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันเกิดประโยชน์น้อยมันเกิดประโยชน์น้อยแล้วก็เลยบอกเขาแล้วก็บอกว่าเราถ้าจะเป็นกระเบื้องแบบที่เรามีอยู่นี่เอาเรารับลังคาทําไมเรารับลังคาหมดเพื่อต้องการพื้นดีๆเอา้าเรารับ พื้นไม้มาค่าเรารับถ้าเป็นชั้นเดียวอยู่บนปูนเนี่ยเรารับเรารับได้รั บ, บอย่างน้อยให้เขาอุ่นใจซะหน่อยว่าเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหมูเรารับเราช่วยเขาแต่พอถึงตอนนั้นถ้าเผื่อเราไม่มีอะทําไงอ่ะ <laughs> เราล่าแต่เผื่อตอนนั้นเราไม่มีจะทําไง ลัาที่เราสั่งมาเยอะๆนี่ห้าพันแผ่ น, นตอนนี้ถ้าเผื่อตอนนี้เราก็เอาไปช่วยเขาได้อืแต่ไอโรงงานเขาคงยังไม่ปิดนะ <c oughs> แต่ไอโรงแต่้ลังคาเหมือนที่สมพรเขาเอาไปที่เราเอามามุงห้องครัวห้องน้ำเนี่ยมันไม่มันไม่ทนมันขาดเลยแหละแตกขาดกระเด็นเลยมันกรอบมันเปลาะมันแข็งอยู่แต่มันกรอบมันเปล่า ขึ้นไปเหยียบเฉยๆก็แตกทุกเก้าแล้วแหละไอ้ที่เราเอาอเยราช้างมาเนี่เหนียวเลืนเหยียบมันก็ยังได้เลยแล้วมันทั้งสามชั้นเนี่ยแล้วระแนงแล้วก็ถี๋ mm hmm. เลยเลดได้แค่นั้นแหละเ ล, เลยไปดูท่านพลไอ้คนนักทาสีก็ยังไม่หมดเลยมาพร้อมก็ยังไม่ได้เราบอกทาเสร็จนะทาเสร็จ ท้ายเสร็จแล้วก็คอยท่านพลมาส่งน้องเตียเขาแวะไปดูนิดหน่อยไปวันนี้แวะไปดูนิดหน่อยเลยไปสารคามจากสารคามเขาก็จะไปวัดอาจารย์วัดเสือโน่นหน่ะวันที่หนึ่งวันครบรอบอาจารย์เสร็จแล้วคพืนจะเข้าไปส่วนนักธรรมอยู่จนวันที่สิบเอ็ดหล่อรูปเหมือสมเนี่ยสังคลาดที่ส่วนนักธรรมเพราหลังจากนักอาจจากกลางๆเกันนะท่านเพ่อนจะได้เข้ามาที่ธรรแล้วก็บอก ถึงลูกเตี๋ยจะเข้ามาพเราก็อยู่ไปอยู่ไปบำเพ็ญไปท่านอยู่ไม่กี่วันเดี๋ยวทางเข้ากรุงเทพฯะพราะเราก็อยู่บำเพ็ญไปพอกุฏิก็ไปทไําไห้อย่างทําไว้อย่างดีกุฏิก็ที่ถ้าก็ข้าวเขาเข้าไม่ได้อขาทําความสะอาดไว้มันวับเลยเราว่าจะเอาทํากระจกอย่างนี้ไปใส่รูปที่เรามาปิดทองพระพุทธรูปน่ะ ก็ยังไม่ได้ทำไปก็รุ่งปัน่นจะได้ทาไปไหมระยะนี้ช่วงนี้เราเห็นเราพอไปเห็นถ้ำเรานึกถึงโอ้ประโยชน์ของาศาสนาเราทำเราไปอยู่ก็ได้ประโยชน์ใครไปอยู่ก็ได้ประโยชน์ <c oughs> กติตรงหน้าทำมันไม่มีเราไปทำให้ดูดีมากไปดูทำเสร็จแล้วแล้วสีนิดหน่อยบนไดก็ไม่ต้องทำเพราะว่ามันรับ มันรับกับเนินพอดีขึ้นไปตรงเนินแล้วขึ้นบนไดแต่ห้องน้ำยังไม่ได้ทำลุงเตี๋ยวไปเพิ่งจะวางอันนั้นแล้วเพิ่งจะพักห้องของเพิ่นตัวอจะพักตอนนั้นพักตอนไหนก็แล้วก็ทาวให้สิ้เป็นพื<ม>น้นที่สงัดแต่น้ำน้ำน้อยปีน่นี้น้ำหมดแล้วพอดีเขาไปเห็นตาน้าใหม่หาคนจะไปขุดวางท่อยังไม่มีจนเดือนตั้งแต่ เ, เราไปวันนั้น ไอ้พวกช่างที่จะเข้าไปก็ไม่มีไอ้พวกนี้ก็มันไม่รู้จะเรียกใครไปแค่ไปขุดฝังท่อให้ต่อน้ํามายังไม่ทําจนเดียวนี่แต่น้ําน้ํามันหมดน้ํามันหมดใช้สมัยแต่ก่อนน้องเตีย๋ย่อยู่วงเหลี่ยวมันไม่คนไม่ค่อยมีใครใช้น้ําน้ําเลยพอเหลือผือเหลือเฟือ ป, ปีนี้เราไปทํากุฏีด้วยน้ําเอาไปใช้คนไปใช้หลายคน พุกช่างพรพ ร, ระเราก็อยู่ประจำสองเดี๋ยวนี้ก็สี่งใช้น้ำวันวันก็ไม่ใช้น้อยที่เราไม่มีปัญหาเราขับไปเจอตาน้ำใหม่อยู่ห่างจากตัวนั้นประมาณสองรอยเมตรถ้ามีคนไปช่วยทำทาล่องน้ำให้สักสองคนขุดวันเดียวเราฝังท่อวันสุดไม่ไมงั้นไฟกินอะ่ะไปต่อทิ้งไว้เฉยเดี๋ยวไฟไหม่ม เราไปเห็นไฟไหม้ลง่งทุกปีทุกปีแล้วแหละไอ้ตรงสวนไม้สักนี่ไม้สักมันตกใบกองไฟติดนโอ้ยดับไม่ไหวแล้ว <c oughs> แต่วัดเพื่อนก็ไม่มีทางกันไฟด้วยก็อยู่ไปเปลีป่ยนไปประโยชน์ใครประโยชน์เราไปเป็นวันวันไปเหมือนอย่างพวกเราเดินทุดงนี่แหละเอาประโยชน์ไปเป็นนาทีต่อนาทีวินาทีต่อวินาทีไปเลยอย่าให้มันตกไปอ ก, กุศล น, นะ แต่ลักขณะของมัสยิดให้มันยับยับยับมีแต่กุศลกุศลมันเกิดตรงไหนมันเกิดตอนที่เรามีสติทุกระยะปัญหามันแทรกจิตเราไม่ได้นั่นแหะกุศลเกิดทุกระยะนะสังสมเข้าไปมันสงบอยู่กับการเดินมีสติตลอดมันสงบอยู่กับการนมีสติมีรำมัญญาตลอดทําไปเรื่อยๆอย่าพึ่งไปลบอย่าให้ริดเดียดอาพิงยาอย่าอย่าที่ไปลบมันมีมันเปลี่ยนมันมีมันเป็นเ มันจะล่อไปลึ ก, ลกมาล่อห ม, มุนผิดหมุนถูกหมุนผิดหมุนถูกทุกคนก็ต้องผิดต้องถูกมายอย่างนั้น เ, เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่เราทดสอบหาของจริงในหัวใจของเรามันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนเราเปิดหาตำราในหนังสือเปิดปับป๊บปับป๊บปเจอแล้วปั๊บปั๊บ๊เจอแล้วอันนี้เราตั้งท่าถูกเมือนก็ถูไม้เกิดไยตั้งท่าถูกอยู่ต่ต้องใช้ความพยายาม รู้ทุกไว้น้ำไฟไมันจะติดคิดดูตะกี้เลนหัวใจของเรามันเกิดมากี่กับกี่กันกี่ภูมิชาติกับกันมาแล้วเราลุกไม่ได้จนมันกลายเป็นสันดานเป็นนิสัยเป็นสันดาลเนพืชก็เลยจะมากลับเมื่อกลับตัวกลั บ, ลบทิฏฐีมรณนะของเรามันง่ายอยังไหนมันไม่ง่ายสอนอะไรสอนอย่างอื่นแก้ไขอย่างอื่นทำงานอย่างอื่นง่าย แต่มาสนใจตัวเองที่กลับทิฏฐิใจตัวเองเพื่อให้เห็นจริงตามที่ท่านสอนอนนี้จังทุกขังกับนักตารู้เถอะรู้อยู่ว่าอนนี้จังรู้อยู่ว่าทุกขังรู้อยู่ว่านักตาแต่การที่เราจะทําให้เห็นด้วยปัญญาญาณของเราเนี่ยว่ามันจะเกิดขึ้นเราคาดไม่ได้เราเดาไม่ได้จะเกิดง่ายเกิดเร็วเกิดช้าคาดไม่ได้แต่อาศัยความเพียรทุกฤยะอย่างต่อเนื่องเป็นช้าเป็นเร็วอะไรไม่คาดไม่เดา เอามากนี่แหละขัดสีให้มันเต็มที่ก็แล้วกันมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเราจะได้ร้องอ๋ออ๋อตามจนได้แลบแต่คอยอย่างเดียวเราอย่ า, ย า, ยาทิ้งหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านพาทําอย่าทิ้งเด็ดขาดทิ้งแล้วไม่ถึงหรอกแบกแนวแล้วเขาไม่ถึงยิ่งสมัยปัจจุบันเป็นสมัยที่เสียงมากที่เขามีไอ้มือถืออะไรงง น, นีงมเช้าก็งมเย็นกลางวันงมนี่แต่อันนั้นแหละ เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นมรรคเป็นผลไม่มีโอกาสที่จะเจอมรรคผลที่แท้จริงไม่มีถ้าไม่ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไม่เจอแน่ๆน้องตาท่านท้าได้เลยตายเลยแหละลองให้สิ่งเหล่านี้มันหมุ น, นอยู่ในหัวใจตายตายทั้งเป็นเลยท่านยึงวา่านี่แหละ ย, ย, ยิ่งกว่าเทวธาตุนี่แหละคือเพชฌฆาตยิ่งกว่าเทวธาตุอีกถ้ามายด์ทิ้งเข้าไปหมดยนทิ้งลงน้าให้หมดเนี่ยไม่มีโอกาสเจอหอก นี่แหละตัวบันทอนค่าเวลาของเรางม อ, อยู่นั้นละหมดหวังเลยถ้าเห็นเราเห็นแบบนั้ น, น, นหมดหวังเลยถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็หมดหวังเลยเละนี่น้องตาฉันพูดไว้ไม่ผิดหรอกโอ้นี่เพชรา้ า, าด้วนี่เพชรขาดยิ่งกว่าเทวทัตอีกด้วยนี่ทีวีวีดีโอ แตผ่ผู้มีปัญญาใส่สิ่งลนี้เป็นเครื่องมือได้ถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็โอ้อยากยากมากๆออาเลิกแค่นี้ไม่มีอะไรฉันเนยลยเอาเกาบซะกกาบซะกก็บซะกกับซ ะ, กบซ ะ, กบซะเก็บซะผมฉันน้ำก่อน